ออบอออเพื่อนก็ถามนะคว่าเรียนไปทาไมก็ไม่รู้จะอธิบายเขาตั้มไงอกเรียนมยเรียนก็ต้องก็บอกเขาตามความเป็นจริงบอกว่าวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาดับทุกข์ แต่วิชาที่เราเรียนกันทั้งหลายในศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์หรือวิชาสังคมศาสตร์วิชาเกี่ยวในเรื่องศาสตร์ต่างๆในโลกใบนี้ที่เขาเรียนกันอยู่นั้นเป็นวิชาหากินเป็นวิชาหาข้าวกินใช่ไหมแต่ว่าวิชาเหล่านี้เราก็เรียนมาพอสมควรแล้วแต่วิชาที่เราไม่รู้ก็คือวิชาดับทุกข์ฉะนั้นเหตุผลที่ต้องมาเรียนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะพิธาม ไม่ว่าในส่วนของวินัยก็ดีพสูตรก็ดีภาพวิธรรมก็ดีเนี่ยวิชาการต่างๆเหล่านี้ที่ดิฉันเรียนเนี่ยเพราะเป็นวิชาที่จะได้ดําเนินกระแสะชีวิตไปสู่ความดับทุกข์เบื่อเหลือเกินคือการเกิดแก่เจ็บตายว่างั้นชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เนี่ยเบื่อความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความกัปแค้นใจเนี่ยเบื่อมากแต่มันจะพ้นไม่ได้ถ้ามันไม่รู้ฉะนั้นจึงต้องมาเรียนวิชาการเหล่าเนี้ ท่นวิชาที่พ้นทุกข์มีท่านผู้เดียวเท่านั้นสอนได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันนเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีถ้าไม่ไม่เรียนวิชานี้ไม่ฟังวิชานี้หรือไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักการของวิชานี้ก็ไม่รู้จะดาเนินชีวิตเข้าสู่ความพ้นทุกข์ยังไงเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้ฉันถึงต้องไปเรียนก็ตอบก็ตามความเป็นจริงอย่างนี้พอยาตอบได้ไหมตอบได้ไหมแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรตอบไม่ได้ก็บอกเออมันว่างๆเลยเรียน <laughs> ก็ไม่เห็นเป็นไรก็คือมันเป็นอย่างนี้คําว่าทุกมันไม่ใช่ร้องโอยๆในความความหมายของคนใช่ไหมคําว่าทุกในทีนี้ยคําว่าทุกข์ศาสตร์จักเนี่ยเป็นสัรจักเป็นความจริงของปริยัตใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เป็นนั่งร้องโอยๆเป็นมะเ็งเลสุดท้ายนั้นคือทุกมันไม่ใช่อางนั้นยังไปเข้าใจอย่างนั้นได้ที่ไหนทุกจริงๆมันคือกระแสชีวิตเนี่ยกระแสชีวิตที่มันเกิดดับสืบต่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ย ความสศกความลำลายลําพันธ์หรือว่ากระแสชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาเมื่อมีกระแสชีวิตคือตาหัวจมูกริ้นกายใจมาแล้วมันจะต้องก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกในการกินการดื่มการเคี่ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาปประปัสสาวะในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งกระแสชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนี่นคือทุกเบียดเบียนมันเมื่อกระแสชีวิตถูกทุกเบียดเบียนบีบคั้นแล้วมันก็เลยเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาใช่ไหม การเปลี่ยนตัวตลอดเวลาอันนี้มันเป็นความทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันถูกความเบียดเบียนความเกิดความดับเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่คือความทุกข์ไอ้ความทุกข์เหล่านี้มันไม่ใช่นั่งร้องโอยๆที่ไหนยอมเนี่ยมันทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราไปเห็นความจริงตรงนี้มันไม่ได้จีรังยั่งยืนมันเกิดดับสืบ ต, ต่อตลอดเวลาเนี่ยการที่เราต้องการมียานปัญญาไปเห็นตัวนี้แต่บุคคลเนี่ยจะมียานปัญญาไปเห็นตัวนี้ไม่ได้ ถ้าไม่เรียนรู้หลักการของพระรัตนตรยัยเมื่อมีม่แต่ถ้าเรียนรู้หลักการของพระรัตนตรยัพยพระเจ้าสอนอยังไงบอกหนึ่งมีศรัทธา2อเมื่อมีศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทาเชื่อมั่นในปัญญาตัศลโลกว่าตถาคตปุ๊บอา่าแล้วก็ไปตั้งมั่นในศีลีศีลมันเป็นยังไงถ้าไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้จะเดินฝึกให้มันเกิดยังไงไงศีลที่ทาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและอาชีพทั้งหลายเนี่ย มันจะเป็นไปนั่นเขาบอกว่าเจตนาศีลคืออะไรเจตสิกศีลคืออะไรอวิติกรรมศีลคืออะไรไงเจตนาศีลเจตสิกศีลอวิสังวรศีลอวิติกรมศีลมาพูดงี้งงกันหมดเลยใช่ไหมถ้าไม่เรียนจะรู้ได้ไงเนี่ยศีลเนี่ยเจตนาศีล <c oughs> คืออะไรเนี <c> ่ย <oughs> ไม่รู้เลยไหม <c oughs> เจตจานงความจงใจตั้งใจที่จะไม่ละเมิดบาปรกรรมทางกายทางวาจาและพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้มีไหมอาะมีแล้วมันเป็นยังไงแหละหน้าตาของศีลเนี่ย บอกว่าเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาที่ดีจีตนาที่ไม่ร่วงละเมิดเจตนาที่จะไม่ฆ่าเจตนาที่จะไม่รักเจตนาที่จะไม่ผู้พิจารณาเจตนาที่จะไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจอเจตนาที่จะดำเนินกระแสชีวิตในการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์หมดจดมีเจตนาอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกเจตนาศีลอะแล้วเจตสิกศีลน่ะความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญา ในการดําเนินชีวิตก็มีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีความไม่หลงมีปัญญาในการรู้ในการเข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถามว่าเราไม่ฆ่าเขาเนี่ยเพราะเราเห็นว่าการเบียดเบียนเขาตัดรอนชีวิตของเขาทำให้กระแสชีวิตเขาก็ต้องตกล่วงไปก่อนเวลาที่ควรกำหนดอันนี้เป็นเจตนาชั่วร้ายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเพราะเราเห็นว่าทากรรมในลักษณะไปฆ่าสัตว์แล้วจะเป็นปัจจัยทาให้เราเอายุสั้นเป็นต้นเหล่านี้ ไปเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเจตสิกศีนมีปัญญารู้กรรมรู้ผลของกรรมถ้าทำเหตุแบบนี้จะได้รับแบบนี้ทําเหตุแบบนี้จะรับผลอย่างนี้ไม่ฆ่าสัตว์เป็นเหตุทําให้อยู่ยืนฆ่าสัตว์ทําำเป็นเหตุให้อยู่สัน้นเบียดเบียนสัตว์ทําไม่มีโ ร, โรคภัยไข้เจ็บมากไม่เบียดเบียนสัตว์ทำไม่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทําไม่ให้ทานเป็นเหตุให้ยากจนใช่ไหมถ้าให้ทานเป็นเหตุให้มีทรัพย์ถ้าไปคิดลิษยาคนอื่นเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้ยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ต่ำไม่ริษยาคนอื่นทําไม่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเนี่ยคนที่มีปัญญาเพราะเป็นเหตุแห่งการเรียนรู้ทำมาสอบถามสแสวงหาข้อมูลคนไม่มีปัญญาเพราะเป็นคนไม่ชอบสอบถามไม่ชอบฟังทำ ไ, ไม่ชอบศึกษาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพราะไปรู้เหตุปจตัจจัยตรงนี้มาจากปัญญาใช่ไหมพอเรารู้เราเข้าใจตรงนี้แล้วก็ขวนขวายการขวนขวายในะละนักษณะนี้ก็มีปัญญาเข้าใจในกรรมผลของกรรมเข้าใจศีลผลของศีลความไม่มีศีลและมีศีลเป็นยังไงเป็นต้น นั้นการที่เราไปเข้าใจในลักษณะอย่างนี้มาจากอะไรเนี่ยก็มาจากคำาเข้าใจในเรื่องของศีลเจตนาศีลเป็นยังไงเจตสิกศีลสังวรศีลใช่ไหมเช่นอินเดียสังวรปาริโมกสังวรศีลเป็นยังไงอินเดียสังวรศีลเป็นยังไงอาชีวะปริสุทธิศีลเป็นยังไงปัจจะยสันนิสิตาศีลเป็นยังไงอย่างนี้ไปต้นใช่ไหมก็ไปเข้าใจนี่ถ้าเราไปพูดอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจนะเนี่ยอีอะไรปาริโมกสังวรศีลงงไหมยอมว่างงไหมถ้าบอกอ๋อ <Torah S 2> อคำว่าศีลที่เป็นหลักศีลที่เป็นประธานศีลที่เป็นศีลแม่บทเหมือนรัฐธรรมนูญยอมเข้าใจไหมศีลที่เป็นประธานศีลที่เป็นวินัยอกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญยอมเข้าใจใช่ไหมกฎหมายใดๆกฎหมายเล็กๆน้อยๆใดๆก็แล้วแต่ไปขัดกฎหมายหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช่ไหมจนเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมากี่ครั้งแล้วเฮ้ยโลฉีกไปกี่ครั้งแล้ว อันนี้ของพุทธเจ้าฉีกไม่ได้ศีลที่เป็นหลักศีลที่เป็นประธานก็คืออะของโยมมีไหมศีลห้าไงใช่ไหมศีลห้าเป็นศีลที่ทีนี้คําว่าปาธิโมกแปลว่าอะไรปาตีเนี่ยแปลว่าตกไปใช่ไหมปาตีถ้าเป็นปาตีบุคคลแปลว่าบุคคลที่ตกไปในสังสารวัฏและตกไปในไบโยภูมิตกไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์เดรัจฉานบางสัตว์นรกบ้างสุรกายบ้างตกไปเกิดเป็นมนุษย์เวรเทวดาตกไปในสังสารวัฏบ้างเขาเรียกปาตีบุคคล โมกขาไปว่าหลุดพน้นฉะั้นปาฏิโมกก็แปลว่าอะไรศีลที่เป็นหลักเป็นประธานที่ป้องกันให้สัตว์ทั้งหลายไม่ตกไปในอบัยภูมิและไม่ตกไปในสังสารวัฏนี่จะแปลเอาความแปลแบบนี้อ๋อมันน่ามีแม่พระเจ้าบัญญัติศีลเหล่านี้มาเพื่อเราประพฤติปฏิบัติเราจะได้ไม่เป็นปาตีบุคคลไงเราจะได้ไม่ตกไปเกิดเป็นสัตว์นรกไงจะได้ไม่เกิดไปตกไปเกิดสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายไง เราจะได้ไม่ต้องไปเจ็บปวดในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเราจะได้พ้นจากกิเลสและกองทุกได้โอ้มีศีลเป็นหลักเป็นประธานเขาไว้โอ้หน้ามีไหมอยากเป็นปาฏิบุคคนไหมเป็นบุคคลที่ตกไปในใบภูมิอยากจะเป็นไหม <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นก็มาลักปาฏิโมขะโมฆะแล้วหลุดพ้นนี่ให้พุทธเจ้า ประธานปฏิโมกษังวรศีเนี่ยมาเป็นหลักในการให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเราจะได้ไม่ตกไปในใบยพูมจะไม่ตกไปในสังสารวัฏโอ้โหอยากรักษาขึ้นมามีศรัทธาไหมทีนี้ก็มีศรัทธาเชื่อมั่นก็เลยเอาละวันนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทํามาทานศีลให้มั่นคงจะงดเว้นจากการฆ่าการงดเว้นจากการฆ่านี่เขาเรียกว่าข้อห้ามใช่ไหมแล้วใจละใจแล้วก็น้อมให้สัตว์ทั้งหลายมีอยุยืนด้วยเห็นไหมมันไม่ใช่แค่ปฏิเสธ ต้องไม่ใช่ในปฏิเสธอย่างเดียวนะในรับด้วย ม, มันไม่ใช่หลักของการในการที่ว่าห้ามฆ่ามันไม่ใช่ศีลศีลไม่ใช่ข้อห้ามแต่เราไปเข้าใจว่าศีลเป็นข้อห้ามกันเลยนะชาวพุทธส่วนใหญ่ใช่ไหมบอกปาณาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาประทางสมาธียามีเนี่ยเราไปเข้าใจเป็นข้อห้ามเนะี่ยทจริงมีแต่คำว่าสิกขาประทางไม่ใช่คาว่าสิกขาบทสิกขาบทแปลว่าอะไรแปลว่าข้อฝึก ศีลไม่ใช่ข้อห้ามแต่ศีลเป็นข้อฝึกแค่นั้นเวลาเราไปสมาทานศีลเนี่ยเรามาฝึกนะเรามาเดินตามวินยัยฝึกตามศิกขาบทพราะฝึกตามสิกขาบทเนี่ยเพื่อจะได้ให้กระแสะชีวิตของเราเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าเพราะงดเว้นจากการฆ่าใจเราต้องน้อมเป็นไปกับเมตตามีความรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนเห็นไหมไม่ใช่ไปรักษาศีลแล้วใจแข็งทื่อเยใจกันเลยใช่ไหมล่ะ ศีลทุกข้อเป็นข้อเป็นข้อฝึกหมดเลยแต่เราถามเอยยมยมว่าศีลนี่ขอกันได้ไหมขอได้ไหมศีลนี่ขอกันได้ไหมจริงๆแล้วก็เห็นยมมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณะธายติสระเนนัสหาปัญญาศีลานิยาจังฮะ <โอ> <laughs> น่าเย็นใจอย่างน่าเย็นใจอ๋อค่ายุ่งอย่างเดียวนาน ส, ส ร, รุปแล้วค่ามาเยอะแล้ว <laughs> ทำไมเป็นมนุษย์เราไม่มีวิธีการหนีเขาบางหรือป้องกันไม่มีเลยหรื ที่ที่วัดก็มีเขาทําเป็นไม้ไอทำเป็นมุ้งคอยจับเขาจับไปปล่อยจับไปแต่จริงๆเนี่ยโดยหลักการยิงยอไม่ต้องถึงไหนไปฆ่าเขาหรอกตัวเขาก็เล็กนิดเดียวอายุเขาก็สั้นมากใช่ไหมนะจะมีวิธีในการที่เราจะป้องกันเขาเยอะเนี่ยป้องกันเลยอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยยุงเข้ามาได้ไหม ก็ทําแบบนี้จะโย่ก็ อ, อย่าไปยืนออกไปข้างนอกให้เขากัดแล้วไปตั้งตบเขาอยู่ไม่มีเหตุผลอะไรมีวิธีตั้งเยอะแยะมันไม่ใช่ข้ออ้างหรอกมันเป็นข้อที่ว่าเราเป็นมนุษย์เรามีวิธีการที่จะไม่ฆ่าเขาตั้งเยอะแยะต่อยอมไปฆ่าเขามีจิตคิดวระทุทสร้ายเขายัางไรยอมก็ไปทําบาปไปแล้วในสุดจริงๆความเศร้าหมองกุศลศีลก็ไม่เกิดแล้วความเศร้าหมองห่งจิตก็เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่า ใจยอมมีกรุณามีเมตตาไหมมีถึงตามว่าเราที่เราไปคิดเบียดเบียนเขาเนี่ยพออ ร, รา่อไรล้วหวงอะไรแล้วกลัวใช่ไหมเอยเรากลัวจะเป็นไข้เลือดออกกลัวอะไรทั้งหลายสารพัดหมดแต่ได้หลักการจริงๆมันมีวิธีการป้องกันทั้งเยอะมันไม่ใช่แค่ยุ่งนะมันมีอะไรอีกเยอะมากถ้าเราจะเป็นคนขี้กลัวเนี่ยทั้งมดทั้งปวกทั้งหลไรอีกสารพัดหมวดที่เราคิดจะบัตรทุจร้ายก็มีเยอะ แล้วลองคิดแต่หลักการจริงๆเนี่ยเขาให้มนุษย์ต่อมนุษย์ก่อนนะมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยยอมลองสังเกตดูดิคนบางคนเนี่ยไม่ฆ่ายุงนะแต่กับคนไม่ได้เลยอะใครพูดผิดหิหูหน่อยแค่นั้นโอ้โหจะฆ่าจะแกงกันเลยก็เห็นไหมบางคนขนาดนั้นแท้จริงก็คือระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่กันยังไงที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันยังไงนั้นเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าเนี่ย ก็หมายความว่ามีเจตจำนงมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะไม่ทำกระแสสัตว์กระแสชีวิตสัตร์ให้ตกล่วงเขามีชีวิตอยู่ห้าวันหกวันก็ให้เขาอยู่ให้ถึงกำหนดเขาเถอะอย่าไปตัดรอนกระแสชีวิตของเขาเลยเหมือนเราเนี่ยถ้าจะมีชีวิตอยู่เพียงเจ็ดิปีเนี่ยถ้าใครมาตัดรอนเราก่อนใช่ไมมาตัดรอนกระแสชีวิตทำชีวิตเราให้ตกล่วงไปเนี่ยมีเจตนาฆ่า กรรมที่ทำแบบนี้เป็นเหตุทำใหเราอายุสั้นแต่ถ้าเราอยากจะอายุสั้นก็ทำไปใช่ไมถ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันกัดเราเราก็กัดมันมันฆ่าเราเราก็ฆ่ามันแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะเจตนาที่เราทำแบบนี้มันจะทำให้กระแสะชีวิตของเราเนี่ยสั้นนะถ้าเราไม่กลัวก็ทำเลยโยมถ้าเราไม่กลัวใช่ไหมแต่ยุยงเนี่ย ฆ่ายุงเนี่ยมันเป็นสัตว์เล็กอยู่แล้วบาปมันไม่เยอะเพราะโพธิสัตว์ไม่ได้เกิดเป็นยุงอยู่แล้วยอมสูญ ย, ยอมคิดเพราะพระโพธิสัตว์นี่จะเกิดไม่เล็กกว่านกกระจาบไงนะไม่โตกว่าช้างฉะนั้นเราฆ่ายุงก็เป็นสัตว์ที่ประเภทที่ไม่มีคุณมากอยู่แล้วฉันจะฆ่ามันถ้ายอมคิดอย่างนี้ยยอมก็ทําไปแต่ฉันไม่แนะนําให้ทํานะเ <c oughs> พราะที่สุดจริงๆกรรมนั้นก็ทําให้ยอมอายุสั้นอยู่ดีจะไม่ถ้ามัได้โอกาส เนี่ยมันเป็นอย่างงั้นไอ้ฉันเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งมีมี ม, มีมีคนคนหนึ่งเกิดเป็นเกิดเป็นชาวชาวนานี่นะเลี้ ย, ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งไอ้เหลือบนี่ยงเหลือบเป็นเหลือบเป็นแมลงเหลือบตัวใหญ่ๆเนี่ยมันกัดกัดไอ้เจ้ า, านี่มันลำคาญ ม, มันก็คอยคอยจ้องหาจังหวะจะฆ่าโอ้โหกว่าจะทําได้เนี่ยเจตนาชั่วร้ายมันต้องตังคเยอะใช่ไหม เจตนาที่คิดจะทํำยังไงจะจับมันได้จับมันได้เลยจะจัดการโกรธมากเดี๋ยวมันก็มา ต, ตอมกัดตอมกัดตอมกัดไอ้เหลือบ ต, ต, ต, ตัวนี้ก็จ้องคิดจะฆ่าคิดจะฆ่าเขาวัดตรงไหนบาปมันมากหรือน้อยเนียเน่ยวัดตรงความเพียรใช่ไหมเจตนาที่จะฆ่าความโกรธที่เกิดขึ้นมีจิตคิดอาฆาตเนี่ยคอยจ้องอยู่นั้นหลายชั่วโมงในสิน่งจริงก็จับได้จริง ด, ด้วยโอ้โหพอจับได้ทําไงดีเห็นน้ําร้อนที่ตั้งกระทะน้าร้อนไว้เน่ยจับคว้างเข้าไปในกระทน้ําร้อนเลย ตายไหมเหลือตัวนี้ตายไหมไม่เหลือน้ำร้อนขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยด้วยเจตนากรรมที่ชั่วร้ายอย่างเนี้ก็หมุนไปในสังสารวัฏอยู่ต่อมาไอ้เจ้าคนเนี้เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดมาในอัตภาพนี้พอโตขึ้นมามีศรัทธาในพระศาสนาก็มาบวชเป็นพระเถระที่ทรงคำสอนมากแตกฉานในพระไตรปิฎกแล้วก็พราชาศรัทธาด้วยทีนี้ ในในในเมืองเนี่ยก็มีมีคนคนหนึ่งไปแอบหลงรักพราชินีอ่ะพระมเหสีของพระราชาเนี่ยแต่เคยถูกจับได้แล้วหนีออกมาแต่อยากจะกลับเข้าไปหาเหลือเกินทำไงดีพอหนีออกไปนานหลายปีแล้วต่อมาก็โกนหัวบวชเองเลยเข้าใจใช่ไหมเอกคนนี้เป็นพระปรอมนะพอบวชเองเสร็จปุ๊บกระตามรอดูจังหวะก็เห็นพระรูปนี้เข้าวังบ่อย ก็เลยเดินตามไ ป, ไปแอบส้มดูอยู่พระเทละกษ์็นึกว่าอ๋อ ว, วันนี้พระราชาคงนิมนต์สองโลกไหมมองออกไหมเพราะพระพ น, นี้เดินตามมานี่ส่วนพระราชาก็สําคัญว่าออนี่คงเป็นลูกศิษย์ของพระเทละกษ์พอเข้าไปเนี่ยนี่ประเด็นก็คือเข้าไปฉันอะไเรเสร็จกลับไอ้พระฟอมดวงนี้ท่านก็แอบเขียนเขียนจดหมายถึงพระพระมหาเหสีษฐะ เขียนแล้วแกล้งทาจดหมายตกก็เลยเดินออกมาทีนี้พระอมรตก็จับจดหมายได้เอาไปให้พระราชาพระราชาดูแล้วไอ้ลายมือที่เขียนเหมือนลายมือของพระเทล่เลยยุ่งไหมงานนี้ยุ่งไม่ยุ่งเขาก็จับพระเทล่ปล่อ ย, อยจะผ้าปอมไปพอจับพระเทละมาเบดเสร็จปุ๊บพระเทละก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพระลายมือเหมือนมากว่าไปเขียนอะไรถึงพระมหาเสีแบบนี้ย ก็จับพระเถระแล้วก็ให้ต้มกระทะน้ามันต้มกระทะน้ามันร้อนๆขึ้นมาแล้วก็พอน้ามันเดือดแล้วก็จับพระเถระโยนพระเถระไม่ได้ทำกรรมนี้ใช่ไม้มทุกก็มีอะไรลองเป็นเหมือนกับอดอกบัวเลยลองท่านก็เหยียบอยู่บนตรงนั้นนะ่ะแล้วท่านก็ระลึกถึง ท่านก็พิจารณาพิจารณาสังขารความไม่เที่ยงท่านได้บรรลุบนนั้นพอดีก่อนที่จะจมลงไปนั้นนั่นน่ะท่านก็มาละลึกพอท่านได้บรรลุแล้วเนะ่ยท่านก็มาละลึกว่ากรรมอะไรเนี่ยท่านถึงโดนจับโยนลงในกระทะเนี่ยท่านก็ละลึกอ๋อตอนสมัยเป็นเด็กนะ่งในหลายร้อยชาตินั่นน่ะไอ้จับเหลือบตัวเนี่ยโยนเข้สาสกระทะน้ํามันเนี่ยมองเห็นได้ยังท่านก็เลยไล่ค า, าถาร้อยคาถา สาธยายเป็นคาถาหนึ่งร้อยคาถาบูชาพระุทธเจ้าเป็นต้นพูดเรื่องกรรมผลเรื่องกรรมเป็นต้นเนี่ยเขาจนคนใจลึกหลังจากเสร็จปุ๊บทนกระจมลงในกระทน้ํามันบริณีพานเลยนิพานเลยเนี่ยก็มีคนจําจําเรื่องนี้ไว้แล้วก็แต่งเป็นคำพีมาเยนทุกวันเนี่ยคาถาที่อยู่บนกระทะน้ํามันร้อยคาถาก่อนที่ท่านจะจมลงตายนี่เห็นไหมเหลือบตัวเดียวมันยังตให้ผลขนาดนั้นเนะี่ยมองออกไหมล่ะ ก็ไม่เป็นไรถ้ายอมอยากยาอายุสั้นก็ทำไปก็แค่นี้เองไม่เป็นไรแล้วแล้วตอนนั้นหนูค่ะข้างบ้านบอกว่าหนูว่าไม่มีดีพุทเจ้าบอกอะไรข้าหนูไม่ได้เยอะเลยค่ะ มายเพราะว่าข้างบ้านบอกว่าี่าบอกว่ามน่าได้ล่าโอ้ชีวิตของยอมวิตจิตพิสดารน้องถามว่าไปาตโอ้ยอมมีทำบาปมาเยอะเลยเนาะแล้วจะทันไหมในชาตินี้จะทันไหมเนี่ย เรีบเจริญกุศลเยอะๆนะเนี่ยจงทำให้อภัยทานปล่อยาศาสตร์ปล่อยอะไรเยอะนะยมนะโหทำบาปมาเยอะเกินเ น, ะเนาะ ไ, <c oughs> ไม่มีไม่มีคนนั้นน่พูดมั่วมั่วแล้วแบบเนี้ยหนูมไม่มีดีนี่ <c oughs> ไม่เคยได้ยิน แยอมเชื่อได้ไงแปลกมากแค่นี้เชื่อแล้วมาทีพูดในเรื่องดีๆยอมไม่เคยเชื่อเลยแปลกไหมโอ้วิจิกิจฉามีกำลังยังอ๋อมีคนรับรองก็อ๋อข้าหนูไม่บาป อ, อ๋อสวยจริงๆเลย ไม่มียอมนึกไปเลยดอกไม่มีเนี่ยมาดูหลายรอบแล้วไม่มีนะสรุปแล้วตรงนี้จํามาผิดไอ้คนคนที่พูดคํานี้ก็คงจะเครียดหนูถ้าขึ้นบ้านก็ก็นั่นแหละเขาแกคงวางแผนคงเกลียดหนูเลือเกินนะเออในเรื่องนี้มันมีมันมีกรณีในลักษณะนี้เยอะเนี่ยฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่า หนึ่งสัตว์สัตว์มีชีวิตสองรว่าสัตว์มีชีวิตสา ม, มีจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียนเพื่อฆ่าห้าสัตว์นั้นตายเพราะความเพียนนั้นถ้าครบหประการนี้ก็แลยครบกรรมาบทศีลขาดสะบั้นเลยไม่เหลืออันนี้กรรมแบบนี้จะนำลงสู่อใบยภูมมหลังปฏิสนธิเออหลังหลังหลังหลังตายหลังจุดติ ปฏิสนธิในถ้ากรรมให้ผลพบในลงอบัยภูมิทันทีนะกรรมในการฆ่าอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรมันทำไปแล้วถ้ากรรมนั้นให้ผลก็ต้องยอมรับความเจ็บปวดใช่ไหมถ้าจะอายุสั้นกลัวไหมอ๋อยอมไปฟังวิทยุหลายรอบนะยอมนะ ฟังหลายรอบคงสัยจะต้องฟังอีกเยอะเลยจะต้องฟังอีกเยอะเลยเนี่ยมาเล่าถึงไหนแล้วเนี่ยการจะหมดเวลาดีที่คือประเด็นก็คืออย่างเนี้นะว่าศีลเนี่ยเวลาเราหนึ่งมีศรัทธาคาว่ามีศรัทธาในที่นี้เขาเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาเมื่อพระพุทธเจ้าได้บุคคลที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยก็มาตั้งมันในศีล ดังนั้นเมื่อตั้งมั่นในศีลเบ็ดเสร็จแล้วก็ก็จเจริญจากศีลนี่แหละก็เป็นปจัจจัยแก่ปราโมดปีติปัสสติสุขสมาธิก็เป็นปจัจจัยแก่สมาธิสมาธิได้เป็นฐานการเดินบัญญาต่อไปดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้อยอมก็ต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจเนาะทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าในการปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยต้องเข้าใจโดวยว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ อย่าไปสำคัญว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องไปนั่งกรรมฐานอยู่วัดอย่างเดียวอันนั้นมันคับแคบมากเข้าใจใไหมเพราะชีวิตของเรามันต้องทำกิจกรรมของชีวิตทีนี้ในการทำกิจกรรมของชีวิตเนี่ยมันจะต้องสามารถเดินหรือประพฤติปฏิบัติธรรมะได้ในชีวิตจริงเราจะเดินพระวิหารธรรมอย่างไรที่ได้อธิบายไปแล้วแล้วลงสู่ภาคของสังคาวัตถุอย่างไรในชีวิตจริงๆในการที่ได้พูดไป ถ้าเราสามารถเดินได้อย่างนี้จริงๆเราก็คือประกอบอมารคนี่แหละประกอบองค์มาร์นี่ในชีวิตจริงนี้เป็นต้นได้เพราะจะางเห็นนี้ยังเอามีใครถามอะไรอีกไหม